พวกเราทุกทุกท่านถ้าจะว่าไปแล้วการฟังการฟังเป็นบ่อกเกิดแห่งความรู้ความรู้ความฉลาดความรอบคอบต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังครั้นี้เราฟังทุกด้านถ้าว่าพวกเรารู้จักแยกแยะ ก็จะเกิดสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ความแยกแยะไม่ไจะใช้สติปัญญาฟังไปแล้วก็สักแต่ว่าฟังเพอ้อๆไปฟังในสิ่งที่เขาแนะนำไปในทางสิ่งที่ไม่ดีเราก็เป๋ไปตามเขาด้วยเมื่อเป๋ไปตามเขาเราก็กลับกลายเป็นคน ช่เสียหายไปกับเขาด้วยเพราะาการครบค่าสมาคมหรืออาศัยการได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและกับเราก็ขาดสติปัญญาให้ควรไตรตรองเหตุและผลเพราะนั้นคนที่หลอกหรือคนที่ต้มกันได้คนที่ตุนกันได้ก็เพราะว่าคนหนึ่งเหนือกว่าและเพรคนหนึ่งขาดปัญญาขาดความรอบคอบ พร้อมกันก็เกิดความโลภในใจด้วยก็เลยทำให้ผู้ผอื่นเขาต้มตุนได้ง่ายเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านที่พวกเราได้ศึกษาในแนวความคิดการได้ยินได้ฟังสิ่งใดก็ตามพวกเราให้ไตรตรองฟังด้วยเหตุด้วยผลในเรื่องนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ให้ตั้งความสงสัยเอาไว้ การตั้งความสงสัยเอาไว้ในหลักของชาดกนะในชาดกท่านบอกว่าถ้าหากว่าตั้งความสงสัยเอาไว้นั่นแหละคือบอกเกิดแห่งปัญญาอันนี้ก็คือในชาดกมโหสถในชาติพระพุทธเจ้าที่ท่านเสวยพระชาติเป็นมโหสถที่ว่าเลิศกว่าทุกชาติทางด้านปัญญาในนั้นท่านก็บอกว่า ความตั้งความสงสัยเอาไว้นั่นละ่ะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาแต่จะ่าไปวิตกกังวลจนไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้กับวิตกกังวลไปอีกละอ่าอันนั้นวิตกกังวลไปก็ไม่ดีคนวิตกคนกังวลเผลอๆก็เป็นประสาทเข้ามากินได้ไง่งายๆเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราตั้งความสงสัยเอาไว้เมื่อได้ยินสิ่งนี่มาแปลกๆมีเงื่อนงำหรือเปล่า มีการซ่อนเร้นหรือเปล่า <Okay. S 1> เป็นความจริงหรือเปล่าคือเราให้ตั้งความสงสัยในเมื่อตั้งความสงสัยแล้วเราจะได้ขี้คลายเราจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนใข้ควรไตรตรองเหตุและผลนั้นๆเราก็จะรู้ได้ด้วยปัญญาของเราแต่ถา้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ผู้ที่เนื้อกว่าอย่างที่ว่านะก็ หลอกลวงหรือต้มตุนเราเราได้ง่ายๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้เกิดปมาในพื้นแผ่นดินนี่มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วมีทั้งบัณฑิตมีทั้งนักปราชามีทั้งคนหวังดีมีทั้งคนหวังไม่ดีกับเราเพวกเราจะไปตั้งเจตนาร้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะเจตนาดีอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องรอบคอบในเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังนะ วันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับพระคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อวานพูดถึงคุณของมิดามารดาแต่วันนี้ผมจะขอกล่าวหรือขอพูดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรที่ท่านได้เป็นศาสดาเป็นต้นศาสนาแล้วก็พวกเราได้นับถือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสั่งสอนพวกเราอย่างไรท่านสั่งสอนแล้วท่านได้ประโยชน์อะไรจากเราเสียงเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่พวกเราจะทบทวนพิจารณาทั้งหมดคือพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาในโลกท่านก็พยายามหรือว่าท่านมีความมุ่งมั่น จะรื้อถอนพวกเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงท่านจะไน้ออกทรงผนวดอย่างที่พวกผมได้กล่าวมาหลายครั้งตอหลายหนในที่ต่างๆการทรงบําเพ็ญของพระองค์จนเป็นที่แน่ชัดในพระทัยของพระองค์แล้วว่าเป็นผู้ชำระกิเลสราคะโทสะโมหะโดยเด็ดขาด จะมาจะไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการและกับพร้อมกันที่พวกเราไหว้พระสวดมนต์เราไม่ได้ขอบิงวรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้บิงวอนว่าให้พระพุทธเจ้ามาช่วยเราอย่างมาช่วยเราอย่างนี้เรามีแต่ว่าบรรยายเรีวยว่ายกพระคุณของพระพุทธเจ้า อิติพิสโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธอิติพิสโสภควาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจำแนกแจกธรรมอารหังเป็นพระอารหันสัมมาสัมพุทโธวิชาเป็นผู้มีความรู้จรณสัมปันโนเป็นพร้อมโดยวิชาจรณสัมปันโนสุโกโตเป็นผู้ไปดีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกสรุปแล้วคือเราสวดมน ล้วนแล้วจะเป็นเป็นที่เชิดชูบูชาบรรยายพระคุณของของท่านตลอดถึงเราสวดมนต์มันถุกท้ายที่ว่าชาลาธมโมหิตฉลังอนาตีโตก็เหมือนกันเราไม่ได้ขอวิงบอลว่าขอความตายอย่ามาถึงข้าไปเจ้าด้วยพระเจ้าจงมาช่วยหรือพระพุทธเจ้าจงมาช่วยข้าไปเจ้าจะให้ข้าไปเจ้าถึงความตายเราก็ไม่ได้ บรรยายอย่างงานเมี่ยวชลาธมโมิฉลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ให้ายๆมาเหตุให้เห็นตามความเป็นจริงจนถึงว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงถ้าบอกให้รู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะต้องพัดภาคจากเรื่องทั้งหลายทั้งปวงแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่ง เพราะนั้นที่เราสวดมนต์ลงไปเนี่ยเป็นการกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาอย่างไรแก่เจ็บตายอย่างไรอันนี้เป็นต้นนะอันนี้พระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากสำหรับพวกเราได้ทรงแนะนำสั่งสอนเวทไนยสัตว์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ให้รู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะนั้นพวกเราจึงกราบไหว้สักการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราถ้าพระพุทธเจ้าไม่วางพระธรรมคำสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติพวกเรากคงจะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีแนวความคิดเรื่องจะรู้เห็นตามความเป็นจริงตั้งแต่ศีลอย่างนี้เป็นต้น พระพุทธเจ้าแนะนำเรื่องศีลเรื่องทานทานะคือการให้สำหรับเป็นครวญญาติโยมพระพุทธเจ้าทำไมจึงให้สอนให้ให้ทานให้ทานเป็นการเสียสละสิ่งของของตนทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานพระพุทธเจ้าท่านมองไกลท่านบอกว่าคนที่มีจิตใจกว้างขวางมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อมนุษยชาติต่อเพื่อนมนุษย์ต่อส ร, รพพสัตต์ทั้งหลายความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนั้นๆแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีการสงเคราะห์กันไม่มีน้ำใจต่อกันไม่มีการเฉลือเผื่อแผ่ให้กันไม่มีการสงเคราะห์กันมนุษยชาติต้องเดือดร้อนวุ่นวายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นถึงว่าการสงเคราะห์การให้ทานนั้นมีหลายอย่าง ให้ทำเป็นทานก็คือแนะนำสั่งสอนให้พวกเรารู้จักทางดีและทางชั่วคิดดีและคิดชั่วพูดดีและพูดชั่วให้รู้จักทั้งการกระทำควรเลือกเฟ้นในสิ่งที่ดีนะอันนี้ก็คือทานะคือเหมือนกันให้ทำเป็นทานแล้วก็ให้สิ่งของเป็นทานให้ให้เข้าน้ำโภชนาอาหารที่เห็นเขาได้ลาบากตกทุกข์ได้ยากเราพอจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร ถ้าเรามีเงินคำทรัพย์สมบัติเราก็พอที่จะให้เขาได้เจือจานเขาได้เราก็ช่วยเขาทางว่าเราก็ย่ําแย่อยู่แล้วเราก็แนะนําเขาว่าควรทํำยังไงอันนี้ก็คือน้ําใจทานะทั้งหมดตลอดขึงให้ชีวิตเขาเป็นทานเราไม่ฆ่าเขาไม่เบียดเบียนเขาอย่างนี้ที่เรามีอํานาจเหนือกว่าอันนี้ก็คือฐารนณะคือการเสียสละของเรา มีหลายขั้นตอนให้ความรู้เป็นทานแนะนำสั่งสอนเลือให้ช่วยชงเคราะห์ออนุเคราะห์เขาให้ชีวิตของเขารักษาโรค ภ, ภัยไข้เจ็บของเขาอย่างนี้เป็นตน้นผลที่สุดเขากับเราเราก็มีผู้เลี้ยงดูเราอีกเป็นหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเรามีแต่สงเคราะห์เขาอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเราเป็นพระอย่างนี้เราก็แนะนำสั่งสอนเขา เขาขอทำบุญทําทานเสือเผฉอแผ่ให้แก่เราเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างพวกเราไปบินทบาทเขาคิดอะไรจากเราไหมเขาก็ไม่ได้คิดอะไ ร, ร, ไ ม, ไ ม, ไะไรมิตรใส่บาทให้พวกเราพวกเราก็ออกมาฉันพอมาฉันเสร็จแล้วเราที่จะช่วยสงเคราะห์อะไรให้แก่เพื่อนมนุษย์ชาติได้เราก็ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เขานี่แหละคือมนุษย์จะเป็นอยู่ได้ด้วยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าว่าต่างคนต่างอยู่ เข้ามาพูดกันก็ไม่ได้กาตาข ม, มิงเกี่ยวอยู่ต่อกันเราคิดดูก็แล้วกันแสดงว่า ม, มนุษย์ไม่มีน้ำใจไม่มนุษย์ไม่มีการเสียสละแล้วมนุษย์ชาติจะมีความร่มเย็นเป็นทุกได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าทานะคือการเสียสละคือการให้ทานพระพุทธเจ้าท่านมองไกลศีระทุกคนให้เป็นผู้มีศีล รักษากายวาจาให้เรียบร้อยสําหรับเป็นคราวาตก็คือศีลห้าศีลห้านี่ถ้ามองดูให้ไกลแล้วให้รู้จักใจเขาให้รู้จักของเขาของเราเราต้องการความสุขไม่ต้องการคนอื่นมาฆ่ามาเบียดเบียนเราเราก็จะไปฆ่าเขาถ้าไม่อยากไม่อยากจะให้เขามาขาโมยของเราเราก็จะไปมวยขโมยของเขาให้เคารพสิทธิ์กันให้เคารพสิทธิ์กัน ซ้ำมีพัญญาลูกเต่าพ่อแม่ลูกหลานของเราเรารักเราก็จะไปล่วงละเมิดเขาให้เคารพให้เคารพสิทธิ์ของเขาอืมเราจะไปโกหกเขาเมื่อเราไม่ชอบในการที่จะให้เขาหมกมาโกหกเราสุราก็เหมือนกันอย่าสุราก็ถ้า ด, ดื่มเข้าไปแล้วมันต้องเมาไม่เป็นอย่างอื่นถ้าว่าเราไปดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้ว ทำได้ทุกอย่างพูดอย่างนั้นได้เพราะขาดสติเพราะนั้นการขาดสติดีไหมถ้าเห็นคนขาดสติดีไหมเราก็กลัวเขาต่างหากเมื่อเขาขาดสติแล้วไม่รู้จะมาไม้ไหนเพราะ ง, งั้นคนขาดสติมากๆถ้าเขาเป็นคนมีเจ้าอรมโมโหโทโสแล้วก็เราไม่อยากจะไปใกล้โดยซ้าไปเพราะนั้นเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็กลัวเราเหมือนกันถ้าเราขาดสติ เพราะนั้นการดื่มทุระและเมลัยขาดสติเป็นผลผลทางเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ดีพูดใดอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศีลของพวกพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าเรามองไกลๆอย่าไปมองใกล้ถ้ามองใก ล, ใกล้แล้วก็จะมองไม่เห็นมันจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเท่านั้นถ้ามองไกลถ้ามองไกลแล้วจะเห็นคุณค่า ของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อโลกมีทุกขั้นตอนที่พระพุทธองค์สอนพวกเราท่านทั้งหลายพุทธบริษัทของพระองค์ถ้ า, าว่าเป็นฆราวาสญาโจรพระพุทธเจ้าก็สอนการครองชีพควรทําตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นฆราวาสเราควรจะทําตนอย่างไร เมื่อเรามีพ่อแม่เราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราเป็นพ่อแม่ของเขาของลูกเราควรทําตัวอย่างไรเนี่เมื่อเราเป็นคนการทํามาหาเรี่ยงชีพเราควรทําตัวอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาตามแนวแถวของที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแล้วพวกเราจะประสบแต่ความ สุขความเจริญความเย็นใจจะเข้ามาสู่พวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราเดินแวะออกไปนอกทางแล้วความหายนะก็จะเข้ามาสู่ใจการกระทําของเราเราก็จะต้องทุกข์เดือดร้อนแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะอย่างครวัตพรนะพุทธเจ้าอนวิธีการธรรมาหาเลี้ยงชีพท่านว่าอุทานาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันนะอราคาสัมปทา ให้รักษาทรัพย์สมบัติที่เสาะแสวงหามาด้วยความยากลำบากรักษายศถาบรรดาศักดิ์รักษาหน้าที่การงานําว่ารักษาอย่าให้ตุดหล่นออกไปอย่าให้เสียหายเน่อาอารักษาสัมปทาการยานามิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนชั่ว ถ้าว่าคบคนชั่วจะเกิดความเสียหายได้ง่ายสำมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงอย่าไปคดโกงอย่าไปป้นจี้เขามาเลี้ยงชีวิตรเราอันนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดการครบค้าสมาคมการครบกับคู่คนอันนี้พระพุทธองค์ท่านเน้นหนักมากถ้าเราจะถ้าเราศึกษา ในการครบค้าสมาคมเราต้องเลือกคบบุคคลเช่นใดควรจะคบค้าสมาคมบุคคลเช่นใดควรจะหลีกไม่ใช่ว่าเห็นเขามั่งมีสีสุขเข้าไปก็ไปคบค้าสมาคมกับเขาถ้าไปคบค้าสมาคมแล้วการที่เขาร่ำรวยขึ้นมาหรือเขาเป็นมีทรัพย์สมบัตินั้นเขาได้มาอย่างไร ถ้าเขาได้มาในทางที่ไม่ชอบถ้าเราไปคบค้าสมาคมกับเขาอีกสักวันหนึ่งเราก็ไปเรียนแบบเขาในเมื่อเรียนแบบเขาฐานะความหายยนะก็จะเข้ามาสู่ตนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นการครบค้าสมาคมเป็นสิ่งที่ควรเลือกอตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพระภิกษุที่เป็นฝกักฝ่ายเทวทัตนะ เน่ยคือเทวทัตเนี่เป็นครบกับพระเจ้าอาศาสสตรูกุงราชคือพระเจ้าอาศาสสตรูก็เห็นว่าเป็นพระเทวทัตเป็นอาจารย์ของท่านท่านก็ช่วยเหลือเจื อ, อาจานทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยสี่ต้องการอะไรพราะเข้าไปเป็นอาจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินคือพระเทวทัตสมัยอศาสสตรูเป็นเจ้าฟ้าชาย ก็ยุโยงให้ฆ่าพระเจ้าพิมพ์พิสารพระบิดานะพระเจ้าซาตูก็ได้สําเร็จโทษพระบิดาอย่างที่พวกเราได้อ่านได้ศึกษาในประวัติศาสตร์หรือว่ามาในพระไตรปิฎกจากนั้นเมื่อสําเร็จโทษแล้วเทนเทวธาตก็เข้าไปคลองใจพระเจ้าอาซ า, าตรุรแล้วเทไงพระเจ้าสาตูก็เป็นผู้บํารุงธนุบํารุงพระเทวธาต เทวทัตก็มีบริษัทบริวารมากมายแต่ก็เป็นศัตรูกับพระพุทธเจา้าเป็นอริเป็นคู่ศัตรูกับพระพุทธเจา้าเห็นมอกพุทธเจ้าให้เข้าอยากแข่งบา ร, รมีอยากเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้า ว, ว่างั้นจ้ะอย่างนั้นนะลืมตัวความลืมตัวนี่แหละทีนี้เทวทัตเขาก็มีหมู่มีเพื่อนมีพระสงฆ์ค้อมล้อมเหมือนกัน แต่พระฝ่ายของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นลูกศิษย์ของทางฝ่ายนี้เห็นว่าฝ่ายนั้นมีอัติเลกระลาบมากก็เข้าไปคบค้าสมาคมเพื่ออยากจะได้กินของดีๆใช้ของดีๆคบค้าสมาคมกับเขาแต่นี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นนกสองหัวแล้วก็มาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ไปคบเป็นหมู่พวกเพื่อนของลูกศิษย์ของพระเทวทัต ด, ด้วย พระสงฆ์ก็เลยติเตียนมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้าท่านก็นบอกออกมาแนะนําบอกว่าเธออย่ายินดีในปัจจัยที่ไม่ถูกต้องอย่าไปคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ประพฤติ ท, ที่ไม่ถูกต้องถ้าคบคนใดก็เป็นเช่นคนนั่นแหละทําให้เสียหายได้ง่ายเพราะนั้นท่านอย่าไปคบคนที่ไม่ดี อันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมท่านเป็นธรรมสอนในในเที่องเป็นธรรมเพราะท่านมองเห็นอนดีตอ น, นาคตแล้วท่านสอนด้วยความเมตตาไม่มีอย่างอืง่นไม่มีการอิจฉาพยาบาททั้งหมดจากนั้นท่านก็ยกเป็นชาดกขึ้นมาท่นี้คือว่าให้สอนให้ให้เข้าใจง่ายงั้นก็พระองค์เนี้ยแต่ก่อนเน่ยเคยถูกลูกธนูมาแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายกระลาบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ทำใมจึงว่าเคยถูกลูกธนูมาแล้วพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งเราเป็นราชสีอยู่ในถ้ำแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีลูกชายมีลูกหญิงจากนั้นก็มีลูกชายก็ไปมีนางราชสีอีกว่า ง, งั้นแต่ราชสีตัวเมียมาอยู่ในถ้ำเดียวกันจากนั้นราชสีตัวนี้ ที่เป็นลูกชายเนี่เป็นผู้สติปัญญาคล่องแข่วว่องไวไปหากินและก็ข้าบสัตว์ต่างๆมาให้พ่อแม่ที่อยู่ในถ้ำกินอยู่เสมอเสมอแต่วันหนึ่งราชสีตัวนี้ไปเจอกับหมาอมจิงจอกพอไปเจอหมาจิงจอกหมาจิงจอกตัวนั้นก็บอกว่าเออ เพราะว่าหมาจิงจอกมันหนีไม่พ้นมันกลัวราชสีห์เพาะนั้นแหะมันก็บอกว่าโอ้ผมขอมาผมขอสวัสิ์พิพักผมขอยอมเป็นลูกน้องจะให้ผมทําอะไรผมก็ยินดีราชสีห์อา้าวถ้าเป็นลูกน้องก็ดีจากนั้นก็หมาจิงจอกตัวนั้นก็พยายามตามมามาถึงถ้าผู้พ่อเห็นเห็นหมาจิงจอกก็เตือนลูกชายตัวเองว่าอย่าไปคบกับหมาจิงจอกนะ หมาจิงจอกนี่เป็นสัตว์ที่ไม่ซื่อสัตว์สามารถที่จะหลอกลวงแนะนำไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายเพราะนั้นลูกอย่าไปคบกับมันนะอย่าไปคบกับผลต่ำจะไปคบกับหมาจิงจอกดูแล้วไม่เป็นผลดีนะความหายนะจะมาถึงลูกมากกว่าที่จะเป็นผลดี อันนี้ราชสีที่เป็นลูกชายนะ่ยไม่เชื่อไม่เชื่อพอ่อบอกว่าหมาจริงจอกมีอะไรไปมันมีจะเป็นลูกน้องเราเท่นั้นเองมันเป็นตัวเล็กมันเป็นตัวน้อยหน่อยเดียวมันจะมาทําอะไรเราได้มันมีแต่เราสั่งให้มันไปทําอะไรมันก็ไปดูไปสอดไปน็นแมให้ได้มันไม่เห็นมีอะไรลักษณะอย่างนั้นนะผลนี่สุดที่นี่หมาจริงจอก มันก็บอกว่าหมูป่าก็เคยได้กินแล้วเก่งก็เคยได้กินกวางก็เคยได้กินเคยได้กินสัตว์มากมายแต่ยังไม่ได้กินไม่เคยกินม้าเหมืนั้นม้าเนี่ยยังไม่เคยกินอยากจะกินม้ารถม้านั่นเป็นยังไง่าชาศสีก็ถามว่าม้ามันอยู่ที่ไหนนู่นอยู่ใกล้ๆกําำแพงหรือว่าใกล้แม่น้าอไเจล ว, ว่าดี ใก่้กรุงพาราณสีมันจะอยู่แถบนั้นพรอมเป็นของมนุษย์ทีนี้ก็เอา้าเราจะไปเอาได้ยังไงวิธีการไปไปผมพาไปลัดหมาจริงจอมันเคยไปทุกแห่งทุกหนกอยู่แล้วมันเคยพาราชสีไปไปเขาไปเห็นหมากระโดดคาบม้าได้ได้มา้ามาแบ่งให้หมาแล้วก็มาคาบมาให้พ่อแม่พ่อเห็นโอ้ยทำไมไปเอาคาบมา้ามาลูก ไม่ได้นะม่านเป็นของพระราชาพนระราชาเนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญาเสียแผลมากนะถ้าเจ้าไปทําอย่างนี้เจ้าเอาตัวไม่รอดนะจะต้องถูกฆ่าแน่นอนเจ้าหยุดนะจะทําทนะอย่าไปใกล้มนุษย์นะมนุษย์นี่มีหัวเหนือกว่านะเจ้าเห็นว่าเจ้าเก่งเถอะมันสู้มนุษย์ไม่ได้นะแต่ ล, ลูกชายเนะี่ยไม่เชื่อฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะหลบหลี ความเร็วของเราเนี่ยเหนือกว่าแล้วก็ชั้นเชิงที่เราจะหลบหลีกมานั้นไม่มนุษย์จะเป็นใครก็จะไม่สามารถที่จะจับเราได้เ บ, บียดเบียนเราได้ให้ว่าความคึกความขนองความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเหนือกว่ามาะงั้นจัดไม่คาดคิดว่าคนคนอื่นจะจัดการกับเราได้จากนั้นก็พยายามไปคาบ เอามามากินเรื่อยๆเถอนี่ยกินชัดนั้นกินจะนี่กับข้าบมามากินพัวในสู้ก็เดือดร้อนถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ไปชุมนายคำมังธนูที่คำมังเลยว่างั้นเถอะเพ <c oughs> ว่าคำมังธนูว่างั้นเถอเป็นผู้แม่นธนูที่สุดในกรุงเขาในกรุงพระราชนตรีนั้นว่าจะยิงราชสีได้ไหมานายคำมังโนูก็ไดเ้เขาก็เตรียมนั่งแท่น เหนือกำแพงเอาไว้เพราะมันกระโดดข้ามกำแพงเนี่ยาราชสีมันแรงมากเลยมันเร็วอีกต่างหากเขาก็เตรียมนายขมังธงมันเข้าทางไหนก็ เ, เตรียมเตรียมการเอาไว้หมดเพราะราชสีก็ไม่ได้คิดบงว่าตัวเองก็เคยกินยังไงเคยเข้ายังไงทําอย่างนั้นคิดว่ากระโดดข้ามกำแพงไม่สามารถที่จะยิงเราทันเหล่านั้นแต่คนหนึ่งมันจ้องเตรียมพร้อมอยู่แล้ว เนีพอในส่วนขอกระโดดข้ามกำแพงไปฆ่าอะม้าเวลาขณะที่ไปนายคำังธนูก็ไม่ยิงเพราะมันเปรียวมันไวไม่สามารถที่จะยิงแต่มันจะยิงเขาทันอยู่แต่ไม่ยิงในขณะที่มันฆาบม้าแล้วมันหนักได้ไหมมันฆาบม้าทั้งตัวขึ้นมามันก็ต้องช้ากว่าที่มันไปเร็วกันแต่พอฆาบมาเสร็จมันกระโดดข้ามกำแพงมา เ, าเขาเอาจังหวะนั้นพอดีธนาวุ้เขาก็อาบยาพิษ ใส่ปล่อยลงไปเลยแหมเต็มเต็มเปล่าเลยวบบงัน้นเถอะอาบยาพิษด้วยร้องโอเ้เกไราชสีวางม้าเลยเกระโดดข้ามไปก็เป็นนอนตายไปถึงปากถ้ำก็นอนตายาผู้พ่อก็เลยบอกว่านี่แหละลูกพ่อบอกแล้วไม่ฟังการครบค้าสมาคมต้องดู ต้องเลือกครบถ้าคนทําไม่เลือกครบแล้วลูกจะต้องหายนะอย่างเจ้าที่เป็นนี่แหละขาวนี้เจ้าต้องตายแล้วไม่เป็นอย่างอื่นเนะพราะถูกอาบด้วยยาพิษแล้วพ่อแม่พี่น้องไม่สามารถที่จะช่วยเจ้าได้อีกแล้วจากนั้นาราชสีห์ตัวนั้นก็เลยตายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิทานเรื่องนี้ในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการครบค้าสมาคม จะเป็นใครก็ตามต้องให้เลือกครบอย่าไปครบคนชั่วช้าอย่าไปครบคนที่จะนำความเสียหายเข้ามาสู่ตนถ้าว่าครบคนชั่วเราก็ต้องชั่วไปตามถ้าครบคนดื่มสุราคนกินเหล้าอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นนักเลงเหล้ากับเขาถ้านักเลงการพนันอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นนักเลงการพนันกับเขาเถ้าพวกเล่นบอลทุกวันเนี่ยเราก็จะเป็น ค บ, บเขาเห็นเขาได้ง่ายเราก็จะทดลองเล่นบอลกับเขาพ้นที่สุดเราก็เป็นนักเลงบอลพ้นที่สุดกับความเจ้งความหายนะก็จะเข้ามาสู่เราการพนันขันต่อเรื่องความชั่วลหลายๆลอย่างเพราะอาศัยการครบค้าสมาคมนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันแล้วก็คบคนชั่วปนสลอมคดโกงต้มตุน มีมากคนชั่วหลายอย่างถ้าว่าคบคนใดก็มักจะเป็นเช่นคนนั้นเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพระุธทธเจ้าจว่าให้เลือกคบเรียวกัญระยาณมิตรตาให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนที่มีนิสัยไม่ดีอันนี้ให้พวกเราสังเกตนะพวกเราเป็นคนหนุ่มอเป็นคนหนุ่ม เป็นทรัพยากรของชาติถึงจะเป็นแพทย์เราไม่มีหมูเพื่อนมากหน้าที่การงานของเรารักตัวก็เถอะแต่ถ้าว่าพวกเราปล่อยปาดละเลยในสิ่งเหล่านั้นอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเสียหายชั่วยช้าอย่างที่ราชสีไปคบกับหมาจริงจอกอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเปรียบเทียบไปว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการครบค้าสมาคม กับคนที่ไม่ดีเราจะเป็นเช่นคนนั่นแหละคบคนคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะในการสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกพุทธบริษัทด้วยสอนพวกเราท่านทั้งหลายท่านยกขึ้นมาเป็นนิทานเพื่อจะให้พวกเราจำได้ง่ายนิทานเรื่องนี้ความเป็นมาอย่างนี้สอนให้รู้ว่า คล้าๆมาเปรียบเทียบเพราะนั้นเราจะจําได้ง่ายว่าการที่จะเป็นอย่างนั้นจริงไหมผมว่าไม่เป็นอย่างอื่นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดการครบค้าสมาคมยุคนั้นสมัยนี้เราคิดดูก็แล้วกันถ้าพวกเราเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเราจะเห็นไปเรื่อยๆการครบกับคนไม่ดีเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ดีตามเขาไปได้ง่ายเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะ ที่ได้มาศึกษาในทางแนวของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณต่อพวกเราท่านทั้งหลายแนะนําในสิ่งที่ดีเท่าว่าบัณฑิตนักปราชัยพวกเราจะไปคิดว่าบัณฑิตนักปราชญ์นั่นคือหลวงพ่ออินหรือเปล่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ใช่อย่างนั้นเราจะคิดอย่างนั้นบัณฑิตคือศีลห้าของพระพุทธเจ้านั่นแหละบัณฑิต พราะพุทธเจ้าสอนไว้แล้วให้เข้าไปคน้นให้เข้าไปศึกษาให้นํามาประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีศีลห้าแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นมาในตัวของเราเป็นอันดับแรกจากนั้นพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ชิดจากนั้นกัประเทศชาติบ้านเมืองโลกทั้งโลกก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขท่าคนในโลกมีศีลห้ากันทุกคู่ทุกคนแต่ถ้าว่าคนขาดศีลห้ามากๆ ขาดจากบัณฑิตนักปราชญ์ไม่เข้าไปคบบัณฑิตนักปราชญ์นะหันหลังให้บัณฑิตนักปราชญ์ว่าศินทาเป็นของคือของร้าสมัยคนไม่มีสินเท่นนานะเป็นของทันสมัยต่างคนต่างคิดอย่างนั้นคนต่างคนก็ต่างไม่มีสินผลของคนผลของการไม่มีศินนั้เป็นอย่างไรมีแต่ฆ่ามีแต่ขโมยมีประพฤติผิดในการมมีแต่โกหกมีการดื่มโุราคนไม่มีศินเป็นอย่างนั้นแล้วผลแห่งการกระทําเช่นนั้น จะเป็นยังไงมีความสุขไหมสงบรม่มเย็นเป็นสุขไหมพวกเราหลับตาดูก็แล้วกันมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาสู่ชุมชนและสังคมเพราะอา น, นิสง์การไม่มีศินมีแต่ความเรือดร้อนอ น, นิสง์ผู้รักษาสินอ น, นิสง์ของศิลมีแต่ความสงบรม่มเย็นต่างคนต่างมีสินเพราะฉนั้นที่พระพุทธเจ้าแนะนาําสั่งสอนผมมั่นใจว่าถูกต้องที่สุด ไม่เป็นอย่างอื่นตลอดถึงทานศีลภาวนาก็เหมือนกันภาวนาในทาใจให้สงบทาใจให้เป็นหนึ่งนะเพราะนั้นในการบวชของพวกเราทุกๆ ท, ท่านในครั้งนี้ถึงจะมีเวลาน้อยผมเค ย, ย้ําแล้วย้าอีกอยากจะให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติการภาวนาการอยู่บวชเข้ามาอย่าไปคิดว่า การบวชของเราเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงอยู่เป็นวันๆไม่เห็นทําอะไรพวกเราจะไปคิดอย่างนั้นพิดอย่างนั้นแปลว่าพวกเราไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติเหมือนกับไปเรียนหนังสือไปเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปนั่งจกปุกกันครูอธิบายครูพูดอะไรเราก็ไม่ได้สนใจผลยทั่ส่วนเราก็มานั่งอยู่เฉยๆก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรมีแต่คนพูดมีแต่คนแนะนํา ไม่เห็นคุณค่าอะไรแสดงว่านักศึกษาหรือนักเรียนคนนั้นโง่เกินไปใช่แล้วโง่มากนะพูดอย่างนั้นได้เพราะไม่รู้จักวิธีวิธีที่จะศึกษาอันนี้ก็เหมือนกันที่พวกเราได้มาศึกษาในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ที่พวกเราเข้ามาบวชให้รู้จักว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนนั้นคืออะไร คือพระพุทธเจ้าท่านให้เข้ามาที่พวกเราเข้ามาบวชตามหลักของพทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ดูใจนะใจนั้นคืออะไรใจนี่นเป็นของละเอียดอ่อนใจนั่นก็คือความคิดใจนั่นคือนามธรรมใจนั้นมองไม่เห็นแต่ว่าใจนั้นมีพลังพลังที่สามารถได้จะขับเคลื่อนร่างกายให้ทำอะไรก็ได้ให้พูดยังไงก็ได้ใจดรงเนี้ย เรียว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า เ, เพราะฉนั้นพวกเราที่เข้ามาบวชในครั้งนี้ให้มาดูใจอย่าไปคิดว่าเข้ามาแล้วไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรอันนั้นแปลว่า เ, เราจะไม่รู้จักวิธีวิธีการที่จะเรียนที่วิธีการที่จะศึกษาถ้าว่าเป็นนักรบเป็นทหารก็เข้าไปสู่ ข้าศึกศัตรูแล้วยังไม่รู้จักว่าจะลบที่ไหนทั้งที่ข่าศึกศัตรูต่อยตีเราเตะเราจนล้มลุกคุกขานไปแล้วเราก็ยังไม่รู้จักว่ามันมาทางไหนจะสู้กับอะไรแต่ตามไม่จริงอย่าให้เป็นอย่างนั้นที่เราเข้ามาบวชในครั้งนี้ย่าไปถือว่าจำเจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตื่นนอนไปบิณฑบาต มาฉันฉันแล้วกลับกุฏิกลับกุฏิแล้วตอนบ่ายมาดื่มน้ําดื่มน้ําปานะจากนั้นไปปัดกวาดปัดกวาดเสร็จแล้วกลับกุฏิไปชุมฮะแล้วก็กลับไปกุฏิไหวพระสดมนเสร็จแล้ว ก, กลับไปกุฏินั่งภาวนานีดต่อยแล้วก็ น, นอนพรุ่งนี้เช้าก็เดินมาทางอีกเดินมาบินทบาตอีกไม่เห็นได้อะไร ไม่เห็นได้ศึกษาอะไรถ้าพวกเราคิดอย่างนั้นแปลว่าคิดอย่างที่ว่าเนะ่เหมือนกันนักศึกษานักเรียนตื่นเช้ามาตื่นแต่เช้าจากนั้นล้างหน้าแปรงฟันแปรงฟันเสร็จแล้วอาบน้ำจากนั้นก็นทานอาหารว่างถือสมุดถือกระเป๋าเดินทางเพื่อไปศึกษา ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วไปเข้าข้องส ม, มุดแล้วศึกษาแล้วกลับมากบมา ก, กินข้าวกินน้ำอาบน้ำอาบท่าเล่นกีฬาจากนั้นก็ทาการบ้านเสร็จแล้วนอนถ้าเราคิดว่าได้อะไรได้ก็ตรงที่ว่าเราเข้าไปนั่งในห้องเรียนเราไปศึกษาครูสอนอะไรบ้างอันนั้นแปลว่าเราได้ได้ศึกษาได้ค้นคว้า จากนั้นก็นมาทำการพานอีกศึกษาในการกระทำข้อตนเองเองีกจากนั้นปะว่าเราได้ศึกษาแต่พวกเรามาในครั้งนี้ทีนี้เข้ามาบวชในครั้งนี้เราได้อะไรในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นผมแนะนำบอกกล่าวว่าให้พวกเราดูใจของตนเองพวกเราจะรู้ได้ว่าใจของเรานะ่คิดอะไร ในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาทีแต่ทุกขณะจิตจิตใจของเราไม่มีเวลาว่างเว้นเลยว่าจะไม่คิดมันคิดอยู่ทุกขณะขณะจิตที่มันคิดเพราะนั้นเราจะทำยังไงจึงจะให้มันหยุดคิดให้ได้กำหนดดูใจของตนเองดูใจตัวหยุดคิดนะเพราะในหลักอื่น หลักวิชาอื่นมีแต่เขาให้คิดให้ศึกษาค้นคว้าตำรับตำร า, าเรื่องนั้นเรื่องนีเเ้เรื่องมีอะไรต่อมีอะไรมากมายมหาศาลที่เขาที่เราเข้าไปศึกษาทางคิดสถาปนิกเขากดแนะนําให้เพอ้อฝันในไปในทางสถาปนิกทางวิศวะเขากดคิดคํานวณโครงสร้างพวกเคมีหมอ พยาบาลคือมีหน้าที่แต่ละแต่ละอย่างคือสรุปก็คือให้คิดทั้งนั้นแต่ใ น, นหลักของพุทธศาสนาที่เราเข้ามาในครั้งนี้สอนให้หยุดคิดด้วยสอนให้คิดด้วยและให้รู้จักปิดแล้วก็ให้รู้จักเปิดวิธีปิดปิดยังไงคือกําบดรมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละแปลว่าให้รู้จักปิดให้จิตอยู่กับที่ไม่ให้มันปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอก เปิดเปิดยังไงให้เห็นพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างเกษาโลมานาขาทันตาตะโจเกษาผมโลมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเจื้อในกระดูกให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใจของเราหลงหลงร่างกาย พอมันหลงร่างกายแล้วมันจะหลงสิ่งที่มาเกี่ยวเนื่องกับร่างกายหลงทรัพย์สมบัติหลงคู่หลงคนหลงหญิงหลงชายหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงไปหมดถ้าหลงร่างกายแล้วถ้าไม่หลงร่างกายแล้วจึงหล้นกบไม่หลงทําไมจึงว่าอย่างนั้นพระพระองค์ทําไมจึงจึงไม่หลงร่างกายแล้วจะไม่หลงส่วนอื่นคือพิจารณาดูร่างกายแล้ว ร่างกายของเราเนี่ยจะต้องแตกสลายจะต้องตายต้องสู่ดินน้ำลมไฟผลที่สุดเผาไฟเป็นกระดุกร่างกายของเราในเมื่อของเราเป็นกระดูกอย่างนั้นแล้วจะไปหลงชนอื่นจะไปหลงไปเพื่ออะไรเราได้อะไรในสิ่งเหล่านั้นในตัวของเราก็ยังไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ครองอยู่ไม่ถึงร้อยปีจากนี้ไปจากนี้เรามีอายุเท่าไหร่แล้ว สิ่งเหล่านี้คือให้พิจารณานะให้พิจารณาร่างกายของเราที่หลักของพุทธศาสนาก่อนที่จะพิจารณาร่างกายนะั้นทําจิตให้สงบแก่อนที่จะทำจิตให้สงบนั้นก็คือให้รู้จักวิธีการอย่างที่ว่านั้นวิธีการที่เราบวชเข้ามานี้ให้มาดูอะไรไม่ให้มาดูสิ่งอื่นนะให้มาดูใจให้มาดูต้นตอของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าก่อนที่ เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเรื่องสวนไรนาร้านค้ารำมาค้าขายเรื่องราวต่างๆออกไปจากใจทั้งหมดออกไปจากจุดนี้ทั้งหมด เ, เมื่อจุดนี้ดูจุดนี้แล้วเข้าใจจุดนี้แล้วชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนั่นแหละถูกพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นการที่จะเข้ามา บวชในครั้งนี้คือมาใหมาดูใจนะใหมาดูใจถ้าใจของเราดีแล้วออกไปข้างนอกออกไปเป็นแพทย์เป็นหมอหรือออกไปเป็นคราวาตัตญาตจมอย่างไรใครอะไรก็ตามเราจะรู้จักวางตัวถูกต้องว่าเราควรจะทำตนอย่างไรความรุ่มหลงมัวเมาก็จะกิเลสราคะโทสะโมหะก็จะไม่เหยียบย่ำ ใจของเราจนเกินไปเพราะเราได้พิจารณาหลักธรรมะเข้ามาสู่ใจิตใจของเราแล้วเรารู้จักแยกแยะอันนั้นควรเป็นยังไงอันนี้ควรเป็นยังไงอยู่ในจิตในใจของพวกเรานะเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นหนักลงที่ใจนะหลักอื่นาศาสนาอื่นมีแต่ว่ามีแต่สมาธิเท่านั้นเองสอนเรื่องสมาธิ หรือสีสีพลยสอนเรื่องสมาธิทำจิตให้สงบแต่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกทุกใจทุกกายเป็นยังไงกรมตัฏาภวันห า, ะ ว, ะนหาวิภวะตัตฐานนี่หนาะเป็นบ่อเกิดสติปัฏฐานสี่ให้พิจารณากาย เวทนาจิตธรรมไตรลักษ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละหลักของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปาศาสนาอื่นไม่มีนะให้พวกเราศึกษาดูก็แล้วกันมีนตรรกะของพุทธศาสนาไหนะพิจารณาอย่างนี้สรุปแล้วก็คือเพราะพระเจ้าสมัยใจของเราเนี่ยไปติดไปคล้องไปแวะกับสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นทุกข์ถ้าจิตรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแค่อย่างเดียวใจ หลุดพ้นจากกิเลสกิเลสไม่สามารถที่จะเกาะจิตใจดวงนั้นได้จิตใจดวงนั้นบริสุทธิ์เมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วจิตใจจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นสรุปแล้วก็คือพระพุทธศาสนานสอนที่ใจนะดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจ ไม่มีที่อื่นเพราะนั่นที่พวกเราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ให้มาศึกษาใจนะให้มาดูใจให้มาศึกษาใจเพราะใจเป็นใหญ่มนโนผู้พังเข้ามาธรรมามโนเสถิามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจที่พระพุทธเจ้าไปบาเพ็ญอยู่ในป่าถึง6ปีเนี่ยท่านไปสู้กับใจของท่านนะไปดูใจของท่านนะเราจะไปคิดว่าเป็นอย่างอื่น ไปสู้กับพยามานพยามานก็คืออะไรอพยามานก็คือความโลภความโกรธความหลงราคาโทสะโมหะไปสู้กับนางตันหานางราคานางอรดีพร้อมกับพยามมนเสนาแมนเอาชนะได้ในโคนต้นโพชนะใจของพระ อ, องค์นั่นแหละเพราใจใจของเราไป ให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็สําคัญมาที่ใจของเราถ้าเราไม่ให้ความสําคัญสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สําคัญถ้าเมื่อเราให้ความสําคัญสิ่งนั้นสิ่งเหล่านันก็สําคัญขึ้นมาเพราะฉนั้นท่านจะให้ดูที่ใจดูที่ใจชําระที่ใจปล่อยวางที่ใจใจรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจจะหลุดพ้นจากกิเลสราค ะ, ะโทสะโมหะนะเพราะนั้นวันนี้ผมได้พูดถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อโลกต่อพวกเราด้วยที่พวกเรากราบไหว้ฉนัสเสริญอิติปิโสภค ว, วาอารางสัมมาสัมพุทธโธเราไม่ได้ขออ้อนวอนพระพุทธเจ้ามีตะบานเรายกย่องเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้รอบครอบ หน้ากาบใบสักระบูชาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติอจอมรู้เองเห็นเองได้รับพรดเองพระธรรมคําสั่งสอนประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วหน้ากาบว้สักระบูชาและนําพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติจังวัดเรายึด พระไตรสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้พูดในเรื่องการเป็นอยู่การระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงวันเราบวชในครั้งนี้บวชมาเพื่ออะไรมาศึกษาเรื่องอะไรแล้ว ก, การเป็นอยู่แล้วก็ได้เล่าซาดก ให้เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราการครบค้าสมาคมเลือกคบอยากนั่งพูดเกี่ยวกับการศึกษาพวกเราเข้ามาศึกษาเรื่องอะไรสรุปแล้วคืให้มาศึกษาใจนะเรื่องของใจให้รู้จักสนามลบรู้จากวิธีการที่จะศึกษาถ้าพวกเราไม่รู้จักวิธีการศึกษาแล้วพวกเราจะหาที่ศึกษาไม่ได้นะไม่รู้จะทํำยังไงเข้ามาแล้วก็อยู่เฉยๆเปน็นวันๆไปจะให้เป็นอย่างนั้น ให้นั่งดูใจของตนเองพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้ามันเผลแว บ, บไปเอาจับมาพุโทโธพุโทโธใหม่วับไปมาพุโทโธจับหลายครั้งต่อหลายขนเราจะรู้ได้แหละทีนี้พอรู้ได้โอ้จุดนี้เองที่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้ดูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองจากนั้นก็ทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้พอจิตไปสงบเป็นหนึ่ง น, ะนั่นแหละเราจะรู้ได้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงหนึงมันอยู่ที่ใจทั้งหมดทีนี้ เมื่อเอาชนะชำระใจแล้วความสุขสบายจะเกิดขึ้นที่ใจของเราความทุกข์ทั้งหลายออกไปจากที่นี่หมดนะความทุกข์ความสุขมันอยู่ด้วยกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่ทานนะที่ได้ยินได้ฟัง่านำไปพิจารณาไต่ตรองพิจารณาเหตุและผลตอนนี้ไปนั่งสมาธิสักชั่วระยะหนึ่งค่อยเลิกกันนะนั่